สมัยหนึ่งหวพ่อยังไม่บวดไปหากราบลวงปูเทสตอนนั้นท่านอยู่หินมักเต้งคนเยอะเลยในวัดกลางคืนนะคนไปนั่งภาวนาในโบสถ์ในโบสถ์ท่านไม่โตนะนั่งกันเต็มโบสถ์เลยแล้วก็อยู่รอบๆบโบสถ์นี่อยู่กันร่วมน้อยเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรกันเยอะแยะหลวงพ่อเข้าไปเดินดูนะเดินผ่านๆไปดูเอ๊ไม่มีใครปฏิบัติเี่ย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 จิตเราไปฟังก็รู้จิตเราไปคิดก็รู้จิตเราไปดูก็รู้อัดรู้เชิญทุกคนมองพราประธานมองยอดท่านนะมองให้ดีตั้งใจมองเดี๋ยวเลางพ่อจะตั้งคำถามอยองข้างไหนข้างซ้ายหรือข้างขวามีเปลวกี่แฉกสังเกตให้ดีนะ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 จริงๆพอเราลงมือปฏิบัติเราทำผิดจากที่ท่านสอนก่ากี่แหงท่านบอกว่าให้กู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้าดำรงสติเฉพาะหน้าหมายถึงรู้กับปัจจุบันเราเราเอาชาเอาสติไปตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้กับลมวางตั้งไว้ที่โน่นตั้งไว้ที่ น, น, นี่เราไม่ได้สนใจปัจจุบัน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 จิตไม่วควรแข่การงานจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลต้องแคงว่างไวเรียกว่าปาคุณตาไม่ใช่ึ่มทื่อผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยน้อมจิตให้ซึมทื่อนั่นทำลายปาคุณตาลงไปแล้จิตที่ซึมทื่อเป็นอกุศลและจิตเราจิตที่เป็นอกุศลมันเจริญนิพพสนไม่ได้จิ ต, จตที่เป็นกุศ ล, ม, ม, ศลมีอุชุกตาคือซื่อ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 คุณเบอร์ยี่สิบใจลอยไปรู้สึกไหมเบอร์ยี 20, นะ่สิบใจมันหนีไปยี่สิบสองใจลอยยี่บสามใจลอยสิบเจ็ดใจลอยสิบแปดก็ใจลอยนะรู้สึกแล้ว น, นะคุณเบอร์ห้านี่เรียนได้เร็วกว่าเพื่อนเลยนะเรียนได้เร็วจิตมันตื่นขึ้นมาแนละจิตมีปิติรื้ว่ามีปิตินะรู้ลงไป